อาตมารู้รายละเอียดของความสัมพันธ์ทางเพศน้อยมากแต่ปัญหาพื้นฐานที่คนโทเข้ามาถามนั้นอาตมาเข้าใจได้ง่ายๆในไม่ช้าทุกคำถามที่มีคนโถเข้ามาก็ถูกส่งมาให้อาตมาแล้วมันก็หลงเอ่ยด้วยการที่อาตมาต้องทำงานเกือบทั้งหมดตลอดเวลาออกอากาศสองชั่วโมงแต่คนที่รับเช็คเป็นเงินจำนวนก้อนโต กลับเป็นผู้เที่ยวชาญมืออาชีพด้านพฤติกรรมฐานเพศคนนั้นส่วนอาตมาผู้เป็นพระซึ่งไม่สามารถรับเงินได้จึงได้รับเพียงแค่ช็อกโกแลตแท่งเดียวเท่านั้นปัญญาแนวพุดแก้ปัญหาพื้นฐานได้อีกครั้งเรากินเช็คไม่ได้และช็อกโกแลตแท่งนั้นก็อร่อยเสียด้วยหมดปัญหา